เรื่องตอบปัญหาธรรมะความสงสัยโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยเขอาอำนวยพรสริสวัสดิ์พ่พัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความพาสุขทุกประการจะ บ, บังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนผู้ที่มีความสนใจใฝ่ในธรรม ผู้วแสวงหาคุณงามความดีผู้ไฝ่ปุณฝิ่นกนุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนโอกาสนี้คำนิกาคาทางสถานีวิทยุไปจ่ายเสียงในวันนี้อาตมาภาพได้มีโอกาสมาพบกับท่านสาธุชนทางสุ่มเสียงที่สถานีวิทยุกระยายเสียงแห่งวี้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 จนเจอือแต่เผยแพร่พระพุทธศาสนาสั่งถือได้ว่าเป็นบุญเป็นกุศลทั้งสองฝ่ายทั้งทางเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายจเสียงด้วยทั้งผู้ที่สนับสนุนรายการผู้ที่เปิดเครื่องรับฟังอยู่ด้วยทั้งหลายได้นับถือพระพุทธศาสนาถือว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําชาติประจาําใจประ จ, จําชีวิต แนวทางแห่งการดำเนินชีวิตของเราแต่ดำเนินมาตามร่องร้อยคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาเป็นเ บ, า ห, บาหล่อล้อมจิตใจเบาหล่อล้อมสังคมชาวไทยเรามาตลอดจนพูดในเต็มปากว่าบันมนิพุทธศาสนาได้ประดิษฐานมั่นคงในพื้นแผ่นดินนี้แน่นแฟนยิ่งกว่าที่อื่นใดในโลก และก็เป็นสิ่งที่ประมาทไม่ได้บาปแม้จะอย่างนี้ก็ตามถ้าหากเรามีความเข้าใจน้อยต่อพระพุทธศาสนาเรามีความสนใจน้อยไม่สนใจประพุติปฏิบัติตามเมื่อนั้นความเสื่อมแห่งพระพุทธศาสนาก็เกิดขึ้นความเดือดร้อนความหุนหวายสังคมความมลสัยชาติก็จะไปสู่ความที่ น, าน่ายยับ เหมือนประเทศต่างๆที่เคยถือพระพุทธศาสนากันมาบันนี้ประเทศเหล่านั้นก็ได้หมดสิ้นสูญแสงของพระพุทธศาสนาลงพร้อมกับความเสื่อมความวุ่นวายความร้อนรอนของประเทศนั้นๆไม่ไว่าจะเป็นอินเดียอันเป็นเมืองแม่บทแม่แบบของพระพุทธศาสนา หรือประเทศจีนที่เคยนับถือพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่มาหรือประเทศรอบด้านในภาร์คิสมาชิกของพุทธศาสนาเราได้เปลี่ยนแปลงจิตเปลี่ยนแปลงใจไปนับถือสิ่งอื่นศาสนาอื่นพุทธศาสนาก็เสื่อมลงความเดือดร้อนวุ่นวายของประเทศเหล่านั้นก็เกิดขึ้นเป็นที่น่าอนุโมทนายินดีที่ประเทศไทยเรายังมีพุทธศาสนาได้ มั่นคงมาจนถึงับันนี้และเวลาต่อจากนี้ไปก็เป็นเวลาที่พวกเราทั้งหลายในยุค ป, ปัจจุบันทั้งนักปวดทั้งชาวบ้านจะได้มาช่วยกันรักษามรดกทางจิตใจอันล้ำค่านี้ไว้เพื่อจะได้เป็นร่มเงาเป็นเกาะป้องกันภัยแก่จิตแก่ใจเป็นที่พึ่งพาอาศัย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 แต่ความจริงเขาว่าศึกษานั้นมันก็มีความหมายอยู่ในตัวว่าคือการปฏิบัติไม่ใช่คือการไปเรียนสวดร้องท่องบนเป็นนกแก้วนกขนทองแล้วก็ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติอะไรกันเลยจบมาแปดร้อยประโยคจบหมดทางปัจยปีดอกนั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับตัวท่านเองอาวันนี้ขึ้นตน้นก็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 แต่ก็ยังไม่มีโอกาสพบกันต่างคนต่างทํางานาต่างคนต่างทํางานเพื่อพระศาสนาเหมือนกันเลยไม่ได้พบกันจดนไม้ก็เลยค้างเอาไว้ค้างเอาไว้ค้างเอาไว้แล้วก็มันมาหลายทิศหลายทางหลายระดับเพราะนั่นอไรมาก็คงจะต้องเลือกตอบบางฉบับที่เห็นว่ารีบด่วนแล้วก็จําเป็นบางฉบับนั้น เป็นคำถามที่เคยตอบมาแล้วหลายๆแห่งแล้วก็มักจะเป็นคำถามที่ซ้ำๆซักๆอยู่ทั่วๆไปเช่นก็ว่าตายแล้วได้เกิดหรือไม่นรกสวรรค์มีจริงหรือไม่อะไรพวกเนี้ยคำถามที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงตอบแหละอวัายากระตับปัญหาแต่ท่านจะชวนปฏิบัติทำอย่างไรจึงจะรู้ว่าตายแล้วเกิดทาอย่างไรจึงจะรู้ว่า ชาติหน้ามีนรกมีสวรรค์มีคําตอบนั้นไม่เป็นสิ่งที่ทําให้เข้าใจสิ่งที่จะเข้าใจได้ก็คือการปฏิบัติอย่างตายแล้วจะเกิดใหม่หรือไม่ชาตินี้ชาติหน้ามีจริงหรือไม่สวรรค์นรกมีจริงหรือไม่รรมมไมคาตอบนั้นไม่สามารถทํำลายความสงสัยได้พระพุทธเจ้ า, จาตอบให้ก็ยังไม่หายสงสัยเพราะยังไม่รู้จักสิ่งเหล่านี้จะต้องรู้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 จังเก่งก็ได้แต่คําตอบแบบเปรียบเทียบโอปามาโอปมามัยสมมุติชาแนี้ชาแนลมือนเมื่อวานเหมือนพรุ่งนี้เมื่อวานนี่ก็มีพรุ่งนี้ก็มีทั้งทั้งที่เมื่อวานก็ไม่เห็นมันผ่านไปแล้วพรุ่งนี้ก็ยังไม่มาถึงไม่เห็นแต่แน่ใจว่าเมื่อวานมีเพราะผ่านไปแล้วแน่ใจว่าพรุ่งนี้มีเพราะว่าวันนี้คือพรุ่งนี้ของเมื่อวาน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 ชาติก่อนก็วางไว้ก่อนเธอชาติหน้าก็วางไว้ก่อนเธอจงมารู้จักปัจจุบันอย่างนี้หรือบางงรั้ทงท่านก็ บ, บอกว่าผู้ใดสามารถมียานระลึกชาติหนหลังได้ว่าชาติก่อนเราเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมีชื่ออย่างนั้นมีโคดมีนามตะกุณอย่างนั้นมีที่อยู่อย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นมีกรรมอย่างนั้นจาได้ชัดเจนผู้นั้นควรมาพูดมาคุยมาถามกับเราในเรื่องชาติก่อน เราก็จะได้ตอบจะได้สนทนากับท่านผู้นั้นอย่างพอออกพอใจผู้ใดมีอนาคตญานรู้จักอนาคตจะเป็นไปอย่างนั้นตายแล้วจะไปตรงนั้นสัตว์นั้นตายแล้วจะไปเกิดมาลกจะไปเกิดสรวรรค์จะไปเป็นโน่นเป็นนี่ผู้ใดรู้ได้อย่างนี้จึงมาคุยกับเรามาถามกับเราในเรื่องของโลกหน้า อ, อนาคต แต่เอาเถิดเรื่องชาติก่อนก็วางไว้เรื่องอันอนาคตชาติหน้าก็วางไว้ก่อนเราจะแสดงตัวธรรมที่เกิดขึ้นแห่งความทุกข์และความดับลองแห่งความทุกข์ในชาตินี้ในชีวิตนี้ปัญหามีอยู่เดี๋ยวนี้ให้ท่านฟังท่านจงฟังแล้วท่านก็นสแสดงเรื่องปฏิจจสมุ ป, ปนธรรมอวิชชาปัจจญาสังขารสังข า, าปรปัญาวิญญาณั่งไปอวิชชาปัญญาให้เกิด สังขารสังขารปัจัยเกิวิญญาณวิญญาณเป็นปัจัยให้เกิดนามรูปนามรูปเป็นปัจัยเกิดสลายตัณหเป็นปัสสะเป็นตัณหาเป็นอุปทานเป็นภพเป็นชาติชราบวรณะโสกับปริเทวะทุกทางปวงก็เกิดขึ้นโดยปัจจานิแลและสังกตีกลับมาถึงความดับลงแห่งทุกข์เมื่อเวทนามันไม่มีตัณหามันก็ไม่มีตัณหามันก็ดับเวทนาเกิดมาจากปัสสะ เมื่อไม่มีพัสดาไม่มีเวทนาเมื่อไม่มีอุปทานยึดมั่นในพัสดาเวทนาก็หยดหม่นกันตรงนั้นเวทนาดับตันหาก็ดับตันหาดับอุปทานดับอุปทานดับพบความยึดมัน่นเธอมัน่นว่าเราว่าตัวเรามีจริงๆเป็นจริงๆก็หมดไปดับไปก็ชาติก็ดับคือความรู้สึก เกิดขึ้นในใจว่าเป็นเราเป็นเราเป็นเร า, เ ป, เ, ราเป็นตัวเราผู้สุขผู้ทุกข์ผู้เกื้อเส้นวรรคผู้ตกนรกผู้ชนะผู้แพ้ผู้ผผขาดทุนผู้ได้กำไรมันหมดไม่มีเราในนั้นแม้มันจะแก่ทางกายแม้มันจะตายทางร่างกายมันก็ไม่ตายไปด้วยความรู้สึกว่าเราตายเราแก่เรามีเราเป็นอย่างนี้มันก็ดับไปซึ่งความโทุกไม่มีเกิดไม่แ ก, ก่ไม่จะมีตายในจิตดวงนั้นบอกยสุด ท่านบอกว่าอีท้าปียตาเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยให้สิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะนั้นยศ <c oughs> กันทีไม่ขอตอบปัญหาว่าตายแล้วเกิดหรือไม่ชาติหน้ามีหรือไม่าโลกสวรรค์มีหรือไม่ที่ถามมานั่นจ้นไม้ประเภทนี้มีเยอะเลยมีเยอะก็ขอตอบรวมๆรวบๆอย่างนี้แหละว่ามันจะสงสัยเรื่อยไปแม้จะตอบแล้วถ้าอยากรู้ชัดเจนก็มีวิธีปฏิบัติ ให้มีสมาธิละเอียดลึกซึ่งระดับอบปป น, นาลึกเข้าไประดับจะตุทชาชนุ่นจิตนุ่มนวลควรแกการงานกรรมนิโยแล้วจึงโน้มน้าวจิตไปและลึกชาติหลังเลยจะมองไปข้างหน้าก็ยอมรู้ยอมเห็นถ้าเห็นว่ามันยากนะก็รอให้ตายซะก่อนตายเองจะรู้เองว่ามีอหรีบอสานาฮลกสวรรค์ต้นนี้ยังไม่ตาย มีนาลกคือความเร่าร้อนใจทุกใจในขณะนี้เป็นนี่เป็นสิน่งความเดือดร้อนวุ่นวายใจเพราะการกระทําการผัวการคิดของตนเองของบุคคลรอบด้านที่เกี่ยวข้องนั้นน า, น, นาลกมันลอยมาครอบหัวกับบาดเนี <c> ่ย <oughs> จะจัดการอย่างไรกับมนันตรงนี้แหละพยายามจัดการอุปทานอุปทานในปัจจุบันความยึดมัน่นรือมั่น attachment เนี่ยให้มันเจือมันจางมันบางมันเบาลงหมดไปสิ้นไปมันจะไม่ได้เป็นทุกข์ เอามันตรงนี้มันจะแก้ปัญหาได้ก่อนชาติหน้าไม่มาถึงชาติก่อนก็ผ่านไปแล้วนี่จะนั่นก็มีวิธีนึ่งก็คือโผคอตายดูเท่านั้นแหละถึงจะรู้เอพราะว่าผ่านไปผ่านไป <c oughs> ขอตอบจัหไม่หนึ่งของคุณแอโอโซนยังหนุ่มจังเลยสำนวนเขียนเป็นภาษาเชื่อเป็นภาษาฝรั่งมั่งคา <c oughs> ไม่ขออนุมโมธนานะ <c oughs> ไม่ขอเช่นชมยินดีด้วยเราเป็นคนไทยน่าจะมีชื่อไทยๆอ๋อนี่ลงท้ายคูณบุญหลายขออนุโมทนาสาธุยินดีเช่นชมเพนดีด้วยที่ใช้ชื่อภาษาบ้านเราคนเป็นคนอีสานบ้านหงแดงเดนาะนามสกุลบุญหลายถ้าเป็นพรากาองค์เกือบเป็นบุญมากมากกับหลายมันคือกัน <c oughs> คูณ น, นี่ก็แปลว่าดีงามขึ้นไปนเรื่อยๆขำหลายคูณหลาย ทั้งคู่น์ทั้งบุญหลายโอ้อนุโมทนาน้ำเด้อคูณนบุญหลายลายมือก็ยังหนม่มสัมโนนก็ยังหนม่มไม่บอกบ้านจังบุญอำเภอมีคำถามมาว่าธรรมมาที่ปไตยคืออะไรสาธุอนุโมทนาในคำถามอะไรคือธรรมมาที่ปไตยธรรมะข้อไหนที่ชี้ชัดให้เห็นว่าเป็นประชาธิปไตยที่สุดสาธุขออนุโมทนาในคำถามนีม้ คงจะเป็นผู้ที่เคยบวชเคยเรียนอยู่ใกล้วดัดใกล้วากันล่ะจึงรู้จักสับแสงทางศาสนาธรรมาธิปไตยคืออะไรอะไรคือธรรมาธิปไตยเป็นคําถามแบบย้อนแยงแบบตีกับอะไรคือธรรมาธิปไตยธรรมาทิปไ ต, ย, ปตยคืออะไรเขาอธิบายให้ทราบกันว่าคําว่าอธิปไตยเป็นภาษาบาลี เรียกว่าความเป็นใหญ่สิ่งที่เราเพ่งมองถือเป็นจุดหมายปลายทางเป็นบรรทัดฐานเป็นเครื่องปาราบในการกระทำการพูดการคิดคอยเข้าใจนะเห็นได้เข้าใจว่าอาธิ ป, ปตไตยเป็ว่าการปกครองคอยเข้าใจว่าเป้นความเป็นใหญ่อย่างเวลาการให้พรในทางภาษาบาลีพรสิ่งที่ประเสริฐมักจะให้พรกันนั้นมีคำหนึ่งว่าอาธิปไตย อายุวันนสุขภ า, าระปฏิพานหลังจากนั้นก็ว่าอาธิปไตมีอายุมันคงเงินยาวมีวันนสวยสดงดงามมีกำลังกายกำลังใจที่เข็มแข้งบึกปืนอดทนมีความสุขทั้งกายทางใจหลังจากนั้นมีปฏิพานมีความเียบแลมมีความฉลาด มีความสามารถสุทดท้ายอธิปไตยมีความเป็นใหญ่เป็นใหญ่ไม่เป็นทาสเป็นไทยในตนเองเพราะนั่นคำว่าอธิปไตยนี่เป็นคำกล่าวของภาษาบาลีพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้เกี่ยวกับการปารกในการพูดการคิดการทำ ที่จะเป็นแรงจูงใจให้ไปสู่ความดีความงามความสําเร็จไปสู่ความบริสุทธิ์พุดพ่องแห่งชีวิตความถูกต้องดีงามอย่างนี้ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ใช่เป็นระบบ <c oughs> ปกครองบ้านปกครองเมืองแต่มันเป็นเป็นระบบปกครองตนเองบริหารตนเองไม่ใช่ไปบริหารบ้านบริหารเมืองแต่มันก็จะมาบริหารบ้านบริหารเมืองได้ ต่อหลังฟังให้ดีนะคนบุญหลายอาธิประยความเป็นใหญ่สิ่งที่ถือเอาเป็นหลักใหญ่ในการปกครองตนเองในการบริหารตนเองคือท่านสโลปสโลปแต่ละคำของความเป็นใหญ่ท่านจะบอกว่าตดทท้งอัตตานังปริหารันตุ เ้าย่อมบริหารตนไปสู่ความบริสุทธิ์เป็นการปกครองตนในหลักธรรมในทางพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าตัดเรื่องอธิปไตยสามแก่พิสดังหลายมีหลักฐานที่อธิปไตยสูงแล้วก็มีอยู่ที่สังคีติสด ที่คณิการปฏิกวักพระดัม บ, บีดอกเล่มที่สิบเอ็ดข้อที่สองร้อยี่สบแปดหน้าที่สองร้อยสามสิบเอ็ดพระสาลีบุตรเอามาร้อยรัดมาพูดให้ที่สุดทั้งหลายช่วยกันจำไว้ว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสอย่างนี้อย่างนี้ยีเกี่ยวกับอธิปไตยสามครั้งแรกพระพุทธเจ้าก็พูดเองให้ให้พระทรงทั้งหลายฟังตรัดเองอธิปไตยสูตร กาญิบาอังคุตราิกายเปิดพริไติฎกเริ่มที่ยี่สิบข้อที่สี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าหน้าที่หนึ่งร้อยแปดสิบหกขออภัยเป็นภาษาบาลีเป็นภาษาไทยก็จําข้อไว้นห้ดีเล่มยี่สิบข้อเจ็ดร้อยข้อสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าหน้าไม่ตรงกับภาษาบาลีอาทิตย์ปไตยสามความเป็นใหญ่สิ่งที่ปารบ เป็นสิ่งที่ปกเร้าจูงใจแก่ตนเองให้เป็นไปเพื่อการพูดการคิดการทำาการคิดการพูดการทำที่ดีที่งามที่ถูกที่ต้องมีอยู่สามอันอัตตาที่ปไายความมีตนเป็นใหญ่ถือตนเป็นใหญ่กระทำการด้วยการปารบตนเป็นประทันเอาตนนี้แหละเป็นประมาณสองโลกาที่ปไายความมีโลกเป็นใหญ่ถือโลกเป็นใหญ่หญกระทำด้วยการปารบนิยมของโลกเป็นประมาณ สามธรรมมาที่ปไตยความมีธรรมเป็นใหญ่ถือธรรมเป็นใหญ่กระทําด้วยการปารบความถูกต้องเป็นจริงสมควรตามธรรมเป็นประมาณเนี่ยคุณบุญหลายคุณคูนบุญหลายโครงกาบคุณเคยกับคํานี้มันเป็นหลักที่เรียนอยู่ในหลักนักธรรมชั้นไหนอาตมาไม่ทราบเพราะไม่เคยได้นักธรรมชั้นไหนเห็นนียนน้อยเขาท่องกันอยู่ไม่ใช่นักธรรมตีก็ทําทโทรนี่แหละ พี่ทำเองพันว่าสามอันนี้คุณคูณคุณคูณบุญหลายได้ถามเรื่องธรรมมาที่ปไตยคืออะไรคอยเข้าใจว่าทธิปไตยดังกล่าวแล้วคือการถือเอาประมาณการป่ารบสิ่งนั่นนันเป็นแรงจูงใจเร้าใจให้ประพฤติปฏิบัติผู้มีอัตราที่ปไตยพึ่งใช้สติให้มากเอาตอนเป็นใหญ่ ผู้ถือโลกมันใหญ่พึ่งมีปัญญาคลองตนรู้พินิษผู้เป็นธรรมมาธิปไตยพึ่งประพฤติให้ถูกตามหลักธรรมผู้เป็นหัวหน้ามุงเป็นนักปกครองพึ่งถือธรรมมาธิปไตยทีนี้ก็ขออธิบายหละเรื่องเรื่อ ง, เ ร, องเรื่องอธิปไตยนี้พระพุทธเจ้าตัดให้ภิกษุในปรลบตนบั่งปรลบธรรมบั่งปรลบความถูกต้อง ปารบโลคปารบคนอื่นขอยเข้าใจนะว่าคําว่าปารบตนเป็นใหญ่นั้นไม่ได้ไหมายว่าตนอยากจะทําอะไรก็ทำตามใจของตนคําว่าถือโลกเป็นใหญ่นั้นไม่ได้ไหมายว่าโลกเขาเอาอยัางไงก็ทําทอย่างเขาทั้งหมดอย่างเช่นว่าหลกเคยสังคมเคยเขาขายเสียงขายสิทธิ์กันทั้งนั้นแหละเราจะมามัวสื่อสัตว์อย่างไรเราก็ต้องขายด้วยกันมันจึงจะได้เงินมันจึงจะถูกต้องโลกาทุปตปไตยหามีใหญ่ไม่ได้เป็นเช่นนั้นแค่เข้าใจผิดกันเลย และนี้อย่ามองกันแคบๆเนี่ยพราะพุทธเจ้าท่านพูดอย่างนี้ฟังด้วยก่อนทที่สดสังหลายอาทิปตปไตยสา ม, มีโยอัตาที่ปไตยถือตนเป็นใหญ่ปารลตนเป็นใหญ่โลกาที่ปไตยถือโลกเป็นใหญ่ธรรมาทิปตปไตยถือธรรมเป็นใหญ่หลังจากนั้นท่านก็แจกแกงอธิบายอัตาที่ปไตยเป็นฉนยัยขออภัยอาตมาพูดสำนวนง่ายๆอย่างนี้เลยนะไม่ได้วาตามตัวบทของพระไตรปิฎกที่แท้ตามสัก u c t u r ออันนี้เอาลายอันนี้โครงสร้างอันนี้แนวสุขเขตอันนี้ภิกษุพูดถือตนเป็นใหญ่เป็นฉนะยภิกษุในธรรมวินัยนี้เธออยู่ในป่า ก, ก็ดีโคนไม้ก็ดีเรือนว่างก็ดีอยู่คนเดียวก็ดีเธอย่อมมีความคิดลำพึงในใจปารบในตนว่างเรานี่ออกบวชแล้วจากเรือนเวยสถา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 ไม่ใช่ว่าเราขาดที่อยู่อาศัยอันปันนี่จะมาบวชนอนวัดว่าอารามที่เขาสร้างให้ดีๆไม่ใช่ว่าเราขาดแคร์ยารักษาโรคแต่ที่เราบวชนี้เพราะเราโถความเกิดความแก่ความเจ็บความตายครอบงำบีบคั้นความทุกข์ทั้งปวงในจิตในใจเราจึงออกบวชเพื่อกระทําที่สดแห่งทุกข์เมื่อเธอรำลึกถึงความทุกข์ของตนอย่างนี้เธอก็ตั้งหน้าต่งตางๆ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 หลังแกนั้นเขาบอกว่ากุสลงภาเวติละเสียซึ่งทําอันเป็นกุศลเจริญอะละเสยซึ่งทําอันเป็นอกุศลคือความชั่วแล้วก็เจริญกระทาให้มากซึ่งทำอันเป็นกุศลศคือคุณ ง, งามความดีความฉลาดแล้วอย่างนัง้นท่านก็พูดต่อไปว่าอันส า, าวัชาชาปชะฮิตอนอาาวัชชาภาเวติ เธอก็ละทำอันเป็นโทษเสียเจริญทำอันไม่มีโทษสุดทางอัตตานังปริหะรันตุอะยังอัตตาธิปไต ย, ยังกริกุตจติขออภัยพูดเป็นภาษาบาลีหนะ่อแปลว่าเธอย่อมละทำอันที่เป็นโทษจเจริญทำอันไม่เป็นโทษละทำที่เป็นอกุศลเจริญทำที่เป็นอกุศลนำตนไปสู่ความบริ ส, สุทธ นี่แหละเรากะ ว, ว่าอัตตาธิปไตยือตนเป็นใหญ่ไม่ได้บอกว่าตัวอยากจะทําอะไรก็ทําตามใจของเราโว้ยคือไทยแท้ตามใจเป็นประชาที่ปไตยคือไทยแท้ไม่ใช่อย่างนั้นมันดีทั้งนั้นนะทังอัตตาที่ปไตยโลกาที่ปไตยื้อธรรมาทิปปฏายือสามอธิปไตยนี้เป็นหลักเกณฑ์เครื่องปรับเป็นจุดเร้าจุดเน้นปลูกจิตปลูกใจตนเองให้กระทําสิ่งที่ถูกต้องดีงามให้ละให้เว้นเสียจากความชั่ว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 กำลังได้ยินสิ่งที่เราพูดแม้ท่านเหล่านั้นจะอยู่ไกลๆท่านก็นรู้ท่านก็นเห็นหรือมิเช น, นั้นในโลกสันนิวาสอันกว้างใหญ่นี่มีเทวดาผู้มีที่พระอัมหนักมีหูทิพมีตาทิพมีเจโตปริญญาณกำหนดรู้ใจเราอยู่ได้ยินเสียงเราพูดมองเห็นสิ่งที่เราก็ทําแม้ในที่ลับแม้ในที่ไกลแม้ในที่ไกลแต่เราไม่เห็นเทวดาเหล่านั้นเราไม่เห็นสมณภผามเหล่านั้น ถ้าจะไหนาสีเราได้ออกบทแล้วจากเรือนเพราะชาติชราโ ม, มลันะโซกับปริเทวะครอบงําเราอยู่ชีวิตเราอยู่เราออกมาเพื่อจะพ้นจากสิ่งเหล่านั้นเราไม่ได้ออกมาเพื่ออยู่ดีกินดีเพื่อจีวรบินทบาทเนะสนาสนานปันนี่เราไม่ได้ขาดแกนสิ่งเหล่านี้แต่เรามีสิ่งเหล่านี้คือมีความทุกข์ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความแตกสตร้ายความพัฒแา้ความเศร้ามองรอบด้าน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 ม ม, มครับบุรุษนี้ออกบวทแล้วจากเก ร, รือนโกอนผอมกนหนวดนองหงมผ้ากาสาวพัดเป็นที่กาบไหวของประชาชนยังคิดสกปรกเลยเธอยังกระทําแบบชาวบ้านอยู่นาไหวลังรอข้างหน้ากระหรอข้างหลังกระแตอยู่ท่าฉะไหนสียเราอย่าให้สมณะพามเหล่านั้นตําหนิติเตียนเราเลยอย่ากให้เทวดาเหล่านั้นติเตียนเราเลยแล้วเราจะรีบขวานขวายรีบประพฤติทำที่ยังไม่บรรลุให้บรรลุ รีประพฤติให้ถึงธรรมที่ยังไม่ถึงให้เห็นแจ้งธรรมที่ยังไม่เห็นแจ้งเธอเว้นจากอากุศลกรรมเธอจเจริญกุศลกรรมเธอเว้นสีจากกรรมอันเป็นโทษเธอจเจริญเธอประพฤติปฏิบัติแต่กรรมอันไม่มีโทษสุดทางอัตตานังบริหารันตุอ้ายังโลกาที่ประใอย่างติบุตรจติเธอย่อมบริหารตนไปสู่ความบริสุทธิ์นี่แหละคือการถือโลกเป็นใหญ่เห็นไหม เขาไปถือโลกเป็นใหญ่ไม่ว่าเอาตามโลกนะไม่ได้ไม่ได้ห ม, มายถึงว่าโลกเขาทาอย่างไรโลกเขาคล้ายเสียงโลกเขาคล้ายสิทโลกเขาเอารัดเอาเรียบกดขี่ความเพง่งเราก็ต้องเอาเราจะมามัวสื่อสัต์ต่สิ้นต่อธรรมยู่บันเมืองเป็นอย่างนี้ไม่ทันเขาเราตายแน่ๆทํามัวอยู่ในสิ้นในธรรมเพราะฉะนั้นเข้าเมืองตาเหลี่ยวก็เหลีย ว, วตาตามนั้นไม่ใช่พาสิทธ์ของพระพุทธเจ้านะปาลบโลกในที่นี้หมายถึงว่าโลก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 นัางอยู่ด้วยกันเนียบเราคิดในเรื่องการเรื่องการวิตกเรื่องพยาบาทวิตกคิดไปในทางเกลียดชังในทางรักในทางเบียดเบียนคี้คุณคิดอยู่ถ้าเรามีโลกาที่ปไตยในใจปราลบวอกท่านอาจจะรู้สิ่งที่เราคิดหรือเท ว, วดาทั้งหลายอาจจะรู้เราน่าอับอายเอามือลูบหัวถต่เป็นพระหวัวล้นล้น อ, อยู่เนี่ยพ่ายเรื่องเององนี่ยทำไมถึงคิดอย่างชาวบ้านอย่างนั้นมันไม่ใช่วิสัยของเราเลย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 ปุกลจตนเองอยู่ตลอดว่าเรามีความทุกข์เกิดแก่เ จ, จ็บตายครอบงำอยู่เราจะต้องรีบออกจากทุกข์ให้ได้ด้วยการปฏิบัติผู้ถือโลกเป็นใหญ่พึ่งมีปัญญาของตอนรู้พินิษต้องคิดให้ละเอียดว่าอย่าคิดตื้นๆคิดสั้นๆว่าไม่มีใครรู้หรอกเรื่องของจิตใจพระพุทธเจา้าท่านพูดไว้อย่างนี้นะมิเชื่อลองไปเปิดพระไตรปิฎกติกกนิบาตอังคุตรนิไกยเล่มที่จีสิบข้อที่สี่ร้อยเจ็สิบเก้าหนาที่หนึ่งร้อยแปดสิบหก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 ในที่สุดตัวเราก็บริสุทธิ์หมายก็ว่าอาศัย ส, สิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นจุดเน้นเป็นเครื่องเราใจให้เราอายชั่วกลัวบาปกระทำสิ่งที่ดีที่ง้มอย่างนี้แหละที่เรียกว่าโลกาทิปปไตทีนี้ทำมามทิปปไตยเป็นฉะนไหนพิษส่วนในธรรมวินัยนี่เธอออกบทแล้วด้วยศรัทธา พอเห็นว่าชาติชรลามรณ ะ, ะโซกับปริเทวะความทุกข์ทั้งปวงขอบงาจิตใจเธอชีวิตของเธอเธอมีความรู้สึกว่าเราไม่ได้บวชเพราะขาดแขนเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคอาหารการกินเราอยู่บ้านล้วก็มีโยมีเงินมีเงินดั่เงิน เ, นเดือนกินแพงๆที่มาบวชต้องมากินข่าวเวลาเดียวชั้นในภาชนะอันเดียวขออภัยะอย่างอนตมาที่พูดอยู่างนี้แหละไม่ใช่ขาดแขนสิ่งเหล่านี้ เป็นคารา ว, วาทำงานได้เงินเดือน 20,000-30,000 นั่งรถเก๋งติดแอร์ปรับอากาศเข็นหนังสือสั่งงานรีเควสตรีพอร์ตอะไรต่างๆนั่งรถเก๋งติดแอร์ไป <c oughs> ที่ออกมาบวชนี้ไม่ได้บวชเพราะขาดแคลนสิ่งเหล่านั้นได่ออกมาบวชเพราะรู้ว่าชีวิตนี้มีปัญหาคือความทุกข์ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายได้มาดีใจเสียไปโศกเศร้าเดี๋ยวมีลูกเดี๋ยวมีเมียลูกตายเสียผัวเมียตายจากพักจากกัน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 นอกจากนก็เที่ยวจาริกร่อนแรมไปอ้อพร้มมหาชนทั้งหลายยังพระหุชนให้ตั้งอยู่ในอริยะญาณธรรมตามพระธรรมคาสั่งสอนของพระสาวตดาท้อนประหุชนออกจากอสัรรมิจฉาทิฏฐิเพื่อให้คนทั้งหลายเหล่านั้นได้รับประโยชน์จากพระสาวตนะจากสินจากธรรมเท่าที่เรารู้เราเห็นตามกําลังสติปัญญาของเราอย่างประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายถึงพร้อมเลยความไม่ประมาทเท่าที่กําลังสติปัญญาเรามีอย่างเนี้ย ไม่ได้บวชมาเพราะขาดแคลนสิ่เหล่านั้นทํามาที่ปัตตยก็แปลกเที่ยวกันมองเห็นความถูกต้องชอบทําอย่างนี้ไม่ได้บวชเพราะขาดแคลนจีบวานบินฑบาตเสนาสนายารักษาโลกเครื่องลงหอมอาศัยสันดูข้องกินเราบวชมาเพราะมีปัญหาแห่งชีวิตอย่างนี้เมื่อเราบวชแล้ว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 ถ้าปฏิบัติตามท่านต้องเห็นแน่ๆไม่หมดหรือไมไม่ว่าพระอริยะจะหมดแล้วพอะอรหันต์หมดแล้วหมดทุกหมดตทำไมและโว้โยเฮ็ดไปก็บมีประโยชน์อีกอย่งดองนังรับหูรับตานันคนไม่มีธรร ม, มาที่ปิปไตยเมื่อกพูดอย่างนั้นแต่คนที่ปีธรร ม, มาที่ปิปไตยในใจต้องเชื่อทำที่พุถิตจาวะอากาลิโกปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จํากัดการนิทันเต นิพุเตจ่าปิสเมจิตตังสัมังพาลังแม่เราตถาคตกรรมีพระชนมายุอยู่หรือปฏินิพพานไปนานแล้วก็ตามถามปูได้ตั้งจิตตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามสัมังพลังจอมได้ผลเสมอกันเป็นอาการลีโกอย่างนี้เอหิปติโกควรเรียกให้ผู้อื่นเข้ามาดูท้าทายอยู่ตลอดว่ามาดูซิมาปฏิบัติดูซินี่พระพุเจ้าท่านบอกมาอย่างนี้อริยเจ้าท่านบอกมาอย่างนี้ในสวรรค์คาธรรม หลังจากนั้นบอกโอปัญายิ่โกควรน้อมเข้ามาใส่ตัวใส่จิตใ ส, ใส่ใจน้อมอะไรน้อมทำมาหาเราหรือน้อมใจเราเข้าไปหาทำไปประพฤติทำคิดเฉยๆอ่านเฉยๆแล้วไม่น้อมใจเข้าไปมันจะไปรู้เรื่องอะไรเมื่อน้อมเข้าไปแล้วมันก็ถึงการปฏิบัติหลังจากนั้นท่านบอกว่าเมื่อเราน้อมใจเข้าไปสโสทำแล้วปฏิบัติทำให้มันเป็นสันทิฏฐิโกอาการโ ก, โกมันก็ลงท้ายปัจจตังเวทิตพโววินยุหิอันวินยูชนจะเพึงรู้ได้เฉวพ่ะตัว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 วิปัสสนาญาณจงบังเกิดมีในคันธะสันดานของข้าพเจ้าครับพระเจา้าจักตั้งสติไว้ในลมหายใจเข่าหายใจออกสิผนร้อยหนร้อยหนพันหนโอกาสะโอกาสะนะโอกานี้ขอให้พระอุปัชฌะสมาธิคดิกาสมาธิปัญนาสมาธิจงบังเกิดมีในคันธะสันดานของข้าพเจา้าโดยเทินไม่ว่าหัวมันเลยเพราะธรรมะนั้มันเป็นอากาเลโกมันเป็น สันติโก้ไม่จำกัดการผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติเห็นได้ไม่ใช่ไปอ่อนบอนเอื่นหาเอาถ้าอ่อนวอลได้ผู้ใดก็อ่อนวอลเป็นว่าพอเพราะเหตุนั้นนี่เลยที่พระพุทธเจาว่าทุตทั้งอัตนังเมื่อเข้าใจหลักธรรมอันนี้ย่อมนำตนปริหารตุกนำตนไปสู่ความบริสุทธิ์กุศลังปัจจากุศลังภาเวติอากุศลังปาาัจจายติอานสาวัดชังปัจจายติ อาณาวชังภาเวติเธอย่อมเจริญทำที่เป็นกุศลเธอย่อมละทำที่เป็นอกุศลเธอย่อมละทำที่เป็นโทษเธอย่อมเจริญทำที่ไม่เป็นโท ษ, ททโทษสุด ท, ทางอัตตนังปริหารัตุย่อมนำตนไปสู่ความบริสุทธิ์แห่งชีวิตอัยังทำมาที่ปไตยอย่างเทบุจตินี้แหละคือทำมาที่ปไตยเห็นไหมล่ะเพราะฉะนั้นทา่านพุทธเจ้าจึงบอกว่า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 ไม่ต้องมาที่ว่ามันหมดสมัยพระพฤทธเวลาใดมันตายทั้งนั้นเลยทำให้มันถึงที่สุดอย่าทําเล่นล็อกล็อกแๆคิดถึงพระพุทธเจ้าท่านเจริญสร้างบุญญาบรรัลลีอ เ, เ, นะอเอีสงไข่แสนกําเหวนะพอแอะเงี้ยนั่งสมาธิห้านาทีสิบนาทีอยากจะให้มันถึงนิพพานเป็นพระอรหันต์สองสามวันเอาเดือนสองเดือนสองสามปีแล้วไม่ได้พ้นหรือบอกว่าเรานี้ไหม่มีบุญหมดยุคหมดสมัยของพระอรหันต์พระพุทธเจ้าแล้วไม่ได้ไประโยชน์หรอกทำไปกระไดเปล่า พระพุทธเจ้าพรอาหารหันต์ทั้งหลายท่านบำเพ็ญบรารมีธรรมะกีดชาติจกักศาสจักเสน็นแล้วเข้าข้อแแงเนี่ยเนี่ยพราบอถึงราว่าะมืดแล้วสมัยบัดพี่บาสนี่อะไรมันยังเข้าไม่ถึงยังไม่ประพฤติปฏิบัติเขาเอ า, า, ไ, อ า, า, าไปแค่วิเวกพวารมานี้คนกลางยืนรุนแรงแล้บวบอถึงเรื่องฝีเรื่องทําคืออยากจะชักชวนพี่น้องตัางหลายในี่ยประพฤติทำกันโดยเฉพาะเรื่องสมาธิภาวนานั้นทำกันจริงจริงจังงไม่ดีให้มันตายไปเลยแม่ตายให้มันดี กามังตะโจจะอัติ จ, จะห้ารู จ, จะอวิสสตุด้วยการอธิษฐานจิตว่าแม้เนื้อหนังเอ็นกระดดกเท่านั้นจักเหลืออยโ่สรีระอุปสุดสตุมังสะโลหิตังเลือดและเนื้อในร่างกายนี้ในสรีละนี้จักเพื่อแห้งไปก็ตามทียันตังปุริสท่าเมนะปุริสักวิลเยนะปุริสักภะละกามีนะปะตะพัง ประโยชน์อันใดอันบุคคลจะพึงลุถึงได้ด้วยกําลังด้วยความเพียรด้วยความบากบันถ้าหากยังไม่ถึงประโยชน์อันนั้นจะพึงหยุดการกระทําความเพียรของบุรุษเสียเป็นไม่มีนี่อพอผู้ใจเจ้าท่านอธิษฐานอย่างนี้เมื่อท่านจะตัดสลูไ ต, ต้ต้นโพนั้น <c oughs> ท่านเอาหญ้าไปปูที่นั่งแล้วท่านก็ น, นั่งอธิษฐานใจอย่างนี้ขอใครไม่พูดภาษาบาลีพูดภาษาบ้านเราท่านบอกว่านั่งปับ๊บแล้ก็อธิษฐานใจพว่าแม้เนื้อหนังเอ็นกระดูก เท่านั้นจกเหลืออยู่เลือดและเนื้อในสไลละนี้จะเพื่อแห้ไปก่อตามทีประโยชน์อันใดอันบุคคลจะพึงรุ้งถึงได้ด้วยกําลังด้วยความเพียนด้วยความบากบันของบุรุษเมื่อใดเรายังไม่ถึงประโยชน์อันนั้นเราจะหยุดความภาคเพียนของบุรุษเสียเป็นไม่มีไม่ดีให้มันตายไม่ตา ย, ตายให้มันดีทําไมดีตายไปเลยกระดูกเน่าผุอยู่ใ น, นโคนโพนี่เหลือแต่กระดูกแกแ่แท้ตายเน่าอยู่ในสางหัวมัน เราทําอย่างนั้นกันบ้างหรือไม่ทำสมาธิภาวนาคราวเดียวอยากเป็นพระอรหันต์อยากมีหูทิพตาทิพเมื่อมันไม่มีก็บอกว่าหมดสมัยพระอาลัยเจ้าพระอรหันต์แล้ว์เหตไปกับตายทิมซื้อหนังหับหูหลับตาเป็นไปบ่ได้เฮาในบ่มีบุญมีวาตนาบุญไม่จะเกิดขึ้นคือเหตระงงงามผลบ่าันบ่เหตเอาอ้าวเป็นนว่ามันล่วงเลยมาแล้วนะคุณบุญหละคุณคูณธรรมาที่ปไตยคืออะไรก็คือความ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 กลัวพวกเราจะสับสนท่านพูดว่าละความชั่วเจริญในความดีแต่ท่านกลัวพวกเรายังไม่รู้จักชั่วไม่รู้จักดีเข้าไปเองว่าอะไรแล้วมันเป็นของดีอย่างเลยมันเป็นความชั่วหลังคนกินเหล้าเ ม, มายามวนเซินมู่ขี่เหล้าเขาว่าดีเอาเงินไปจ่างสื่อซื้อขายเสียงพวกที่เอาเงินไปจ่างเขาว่าบักนั้นมันดีทางการไปยังสิว่ามันบดีเขาบอกว่าดีว่าได้เงินนล้วมันจังสิเพราะนั้ น, น, น, นดีและชั่วเอาอะไรมาเป็นเครื่องวัด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 เป็นโทษแกบ้านแกเมืองแกประเทศชาติแกสังคมแต่คนไม่ดีเขามากต่อมามันจะขายบ้านขายเบืองขายศาสนาศาสน า, า, ส า, าอื่นอย่างมาซื้อเอ า, าศาสนาพุทธอย่างมาซื้อเอาประเทศไทยก็เอาเองินมาซื้อเอาเสียซื้อฮันเอนนี่แหละผมเงินมาสักสา <c oughs> สักสามหมื่นล้านบาทซื้อคนไทยได้สามสิบล้านคนหัวละหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งพันพันเป็นรัฐบาลเป็นอะไรตัวอะไรมด บอกประเทศไทยซ้ายหันขวาหันรัฐบาลถึงศาสนาหนึ่งประชาชนถึงศาสนาหนึ่งสุดท้ายมันก็ถึงการอาว ส, สานของประเทศชาติเทียบค่ากันเพราะเหตุนั้นเราจะเห็นได้ว่าทำเราใดเป็นโทษก็ละเสียเพราะโทษนั้นมันมาจากความชั่วเราจะรู้ว่ามันชั่วหรือไม่ชั่วก็ตามแต่ถ้ารู้ว่ามันมีโทษชั่วแน่แนที่ไม่มีโทษก็ดีแน่แน่ดันจึงบอกว่าอนวัวชาภาเวติเธอย่อมจเจริญทำที่ไม่มีโทษ ไม่ว่ากระทาแต่เสียงจะไม่มีโทษอยากได้ยูเงินทองอย่าง ก, การซื้อเสียงขายเสร็จใฮียช่วยจากได้ยูเสือเอาเงินใหม่แต่ว่าเอาไปแล้วมันเป็นโทษ น, นะแก่บ้านแก่เมืองไม่เจริญเท่าที่ควรเมื่อมันมีคนซื้อเสียงขายเสร็จไปมากๆมันก็เอารัดเอาเปรียบช่อรหัสบางล้วงคอรับชั้นเทียงกันทะเลาะ ก, กันในที่สุดทหารก็อดไม่ได้ก็ไปยึดอํานาจคืนมา เมื่อยึดอำนาจคืนมาก็มาหยุดชะงักการบริหารประเทศชาแทนที่จ ะ, จ ะ, จะเจริญไปตามโครงการต่างต้องหยุดฝระะัฐบาลล้มล ะ, ะละยายก็แล้วนายกก็ไม่มีอีกแล้วรัฐมนตรีก็ไม่มีอีกแล้วกว่าที่จะมาตั้งคนใหม่อ้ามาตั้งคนใหม่เอาอำนาจคืนให้ประชาชนประชาชนก็เอาอำนาจไปค้ายกินตอ่อเอาไปแหลกเหลากินต่อนในที่สุดกไ็ได้คนอย่างเราไม่ดีอีกกาลังจะพัฒนาก็มายแย่งกันกินซะก่อนพอเอาเงินมาซื้อเสียงมาก็ยึดอำนาจเองดูยังเนี่ยมันก็หนีไม่พ้นวงจรชนิดเนี่ยนี่แหละจึงบอกว่า ละสิ่งที่เป็นโทษจเจริญสิ่งที่ไม่เป็นโทษนี้แหละคือธรรมารามาที่ปไตยธรรมมาที่ปไตยคืออะไรก็กล่าวมาให้ฟังแล้วคือการถือเอาความถูกต้องชอบทำเป็นใจอะไรคือธรรมมาที่ปไตยก็คือการปฏิบัติตามความถูกต้องชอบทำ <S <S ละความชั่วกระทำความดีละสิ่งที่มีโทษทํายังไม่รู้จกชั่วยจกด็ดีก็มองไปถึงโทษของชีวิตของสังคมของบ้านเมืองนั่นแหละคือความชั่วการไม่มีโทษต่อสังคมต่อบ้านเมือง ต่อประเทศชาตินั่นแหละคือสิ่งที่ดีก็ให้รู้จักว่าดีและชั่วคือโทษและไม่มีโทษนี่เองอันนี้คือธรรมมาธิปไตยเอาละที่นี่ต่อไปอีกห้วยจนไม้มีเยอะเลยไม่รู้จะตอบยังไงไหวมันเยอะแยะไปหมดเลยข้อต่อไปธรรมะข้อไหนที่ชี้ชัดให้เห็นว่าเป็นประชาธิปไตยที่สุดอันนี้จะรวบลัดนะประชาธิปไตยที่สุดก็คือธรรมมาธิปไตยเนี่ยไม่ใช่โลกาที่ปไตยนะไม่ใช่อัตตาธิปไตย อาอัตราที่ปไตยมาใช้ก็ได้กับธรรมมาที่ปัตยกับประชาที่ปัตยมองเห็นว่าตัวเราเนี่ยทาไปแล้วมันไม่ดีมันไม่ดีมันไม่ดีเราไม่ดีแน่แน่ไม่ต้องมมองดูคนอื่นมองดูแต่ความไม่ดีของตนเองมองหาแต่สิ่งที่จะดีจะถูกต้องชอบทำอย่างนี้ก็ยังใช้ได้หรือมองในแง่ของสังคมโลกาที่ปไตยทําไปแล้วเนี่ยสังคมก็จะไม่ดีไม่งามผู้อื่นก็จะมารู้มาเห็นสิ่งที่ไม่ดีไม่งามของเรา ไม่เราก็ไม่อยากรู้ไม่ไม่อยากเห็นไม่อยากพบสิ่งที่ไม่ดีไม่งามของคนเอื่อย่างนี้แต่ธรรมะที่ชี้ชันให้เห็นว่าเป็นประชาธิปไตยที่สดนั่นคือการถือธรรมเป็นใหญ่ทำไมยังเรียกว่าถือธรรมเป็นใหญ่เพราะว่าคำว่าประชาธิปไตยนั้นเราได้รับคํานิยามมาว่าการปกครองของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนแล้วประชาชนชนิดไหน การปกครองแน่นอนเราก็ต้องปรารถนาการปกครองที่ถูกต้องที่ดีงามนาไปสู่สันติสุขบริหารบ้านเมืองให้ยูเย็นเป็นสุขไม่มีปัญหาขี้อยาจะไปเลือกตั้งกันใหม่ใยิ่งเจริญยิ่งสงบยิ่งลมเย็นมีสินมีธรรมมีคุณภาพมีสมรรถภาพมีประสิทธิภาพในการปกครองเท่าไหร่มันก็ยิ่งดีเราต้องการบุคคลที่เป็นผู้ปกครองเราเนี่ยเป็นทั้งที่เลี้ยงของเราเป็นทั้งที่ปรึกษาของเราเป็นทั้งเพื่อนของเราเป็นทั้งตัวแทนของเราสบายใจ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 เอาอมาปกครองเอาธรรมะมาปกครองใจไม่จะเอากิเลสมาปกครองใจ<ส>เมื่อเรามีธรรมะมาปกครองใจเราก็เป็นธรรมะที่ปไตยเราก็มีธรรมเป็นใหญ่ธรรมคือความถูกต้องความชอบธรรมอันที่ไม่มีโทษเราก็มีจิตใจเป็นเลือกเอาความถูกต้องเอาคนถูกต้องเอาคนไม่มีโทษการกระทําของเราในขณะ น, นี้ก็ไม่มีโทษต่อประเทศชาติบ้านเมืองอย่างนี้เอเห็นนั้นธรรมะข้อไหนที่ชี้ชัดเห็นว่าเป็นประชาธิปไตยที่สุด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 ปรับพักช่งไปบอกออกออกจากบ้านออกจากเรือนไปอยู่ไหนเขาอยู่ในในวัดวัดอยู่ไหนอยู่ในป่านู่นตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันที่เราเคารพกราบไหว้พระพุทธเจ้ากุกุสันโทโกนาคามโ น, นลือ ม, มาจากวิปปสีสีขีเวชชภูลรวนแต่ไปอยู่ในป่ากันทั้งนั้นแต่สรู้กันในป่าสแสดงธรรมในป่าบวชในป่าตายในป่าพระอรหันต์ทั้งหลายก็เหมือนกันอย่างนั้นพระราชาอย่างพระเจา้าปกุสศติ ร, ราช จากนี้และไล่องค์ก็สละแว่นแควนออกไปบวชชีวิตอยู่ในป่ากันทั้งนั้นถ้าถามว่าพระควรจะอยู่ในป่าหรือไม่ควรจะถามคืนว่าพระควรจะอยู่บ้านหรือไม่แม้แต่ทุกวันในบวชปรับอุปชาก็บอกลูกมูลาเซนาสนาปัปชานนสายตถเตยาวะชีวังอุสาโหกลันนิโยว่าจังสิเจ้าบวชแล้วไปอยู่น้ำเงาไม่ในป่าเป็นบัดเดออุสาพยายามเรื่องนี้จนตลอดชีวิตไม่ได้บอกว่า นคลังวาคามังวานิคามังวานนคกลังวานปปัพชานิสายตะตัตเตยาวชี ว, งวังอุสาหกัลนิโยผุ่นเดอบ้านพุนเด อ, เ, ดอเมืองผุนเดอในคมเจ้าบวชแล้วจงพยายามไปอยู่ในบ้านในเมืองตลอดชีวิตเดอบ่เห็นว่าจะเสื่ออุปชาหึ้นขอไป เป็นว่าพระนั้นจะต้องสมควรอยู่ป่าอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าว่าเมื่อใดพระไม่พอใจอยู่ในป่าคบเสเสนาสนะอันสงัดเมื่อ น, นั้นคือความเสื่อมท้องศาสนาสัตธรรมสมอสะโสไปอ่านเบงโลดเล่มที่ยี่สิบสองไล่พวกขี้ขานเอามาเบอกให้ฟังเวลาไม่พอพระจะต้องพิจนารณาหนึง่งหนืองวันหนึ่งสิบประการข้อที่เก้าทิสุนักบวชต้องพิจารณาหนหนืองว่าบัดนี้เรายินดีในที่สงัด หรือไม่ที่สงัดคือป่าดงพงไพ่เดี๋ยวนี้จะไล่พระออกจากป่าไปอยู่ในเมืองคอนโดมเดียมมันก็ผิดสเปกจริยธรรมของพระเพราะฉะนั้นต้องถามว่าพระควรอยู่บ้านหรือไม่พระควรจะมาอยู่ป่าซะให้หมดศาสนาจะได้อยู่ยืนยาวกันต่อไปแต่เดี๋ยวนี้มันตรงกันข้ามจะไล่พระจากป่าเข้าวัดกับพอดีแล้วมัดไปไวเนี่ยศาสนา <c oughs> ที่นี้พระกับป่าสงวนพระควรจะอยู่ในป่าสงวนได้หรือไม่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 เมื่อพระพุทธเจ้าแสดงธรรมครั้งแรกแผ่นดินวาดวันไว้ธรรมจะกับประวัตินสนุษแก่ปัญจภคีตัางหเริ่มที่ป่าสองวันอีสิปัตนะมิกขายาวันมิกขายวันทายวันนั้นแปลว่าป่าสองวันป่าที่ทางบ้านเมืองยกให้แก่หมู่สัตว์เป็นพิเศษห้ามใครไปตัดต้นไม้ทำลายป่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตตรงนั้นจึงเรียกว่ามิกขายวันนั่นป่าสงวัน พระพุทธเจ้าบรรลือสีรษนาฏประกาศธรรมตั้งแต่สมาลเกผา ม, มาละเกสมณะพามานังสมณะพ า, าเรรมเทวดา ม, มานพรมทั้งไหลคัดค้านไม่ได้ก็ที่ป่าสงวนแห่งนี้เด็กแถรนกองลออ่อแห่งพระธรรมสูลโลกจงย่งยืนยาวมาจนถึงพวกเราก็ที่ป่าสงวนแห่งนี้ <c oughs> เพราะนั้นภาควรจะอยู่ปาสงวนหรืมไม่อันนี้เป็นคําถามต้องไปถามรัฐบาลรัฐบาลจะให้อยู่หรือไม่ถ้าให้อยู่ก็สมควรอย่างยิ่งเดี๋ยวนี้ป่ามันไม่มีแล้ว นอกจากป่าสงวนแล้วป่าสงวนก็หายากเข้าทุกทีควรจะต้องเปลี่ยนพระราชบัญญัติใหม่ซะและ้วป่าสงวนแห่งชาติมันไม่มีป่ามีแต่ไร่มีแต่นาคน้นมีแต่ตอไม้ควรจะต้องมาเปลี่ยนพระราชบัญญัตินี้ใช้คาใหม่ว่าที่ดินสงวนแห่งชาติอย่างที่ที่วัดอาตมาอยู่นี่ก็ป่าสงวนแต่มันเป็นที่ดินเป็นไร่เป็นนาเขาเลยซื้ออามอนในซื้อคืนมาไล่ละเหมือนบาทซื้อป่าสงวนคืนมาให้ใครให้รัฐบาล แล้วออกมาก็พากันปลูกป่าพาเนเนปูกันไม่ได้หยุดได้หย่ดใหม่เชื่อลองไปโตเดี๋ยวนี้ในวัดในวา น, นกยุงเดินกันเป็นฝูงนกกาเบานกเขาอะไรไกลป่าขันส น, นันที่ท่านฟังวิ่งในห้องก็ได้ยินเสียงนกเสียงกาไปนี่คือธรรมชาติป่าดงพงผายแต่ความจริงมันไม่มีมันไม่เป็นป่าสงวนมันเป็นที่ดินสงวนแต่เรามาปลูกป่ามาอะไรเขามารักษาป่าเขาทีนี้ถ้าควรจะอยู่หรือไม่ก็ต้องบอกว่ารัดจะให้อยู่หรือไม่ ถ้าหากรัดไม่ให้อยู่พระก็ไม่ควรอยู่อย่างยิ่จะต้องรู้จักว่าจริยธรรมและบัญญัติธรรมเดื้องนี้ขัดกันจริยธรรมคือตัวที่จะนําไปสู่สัจธรรมคือความจริงความถูกต้องความดีงามบริสุทธิ์อันจะเป็นผลให้พ้นจากทุกข์จะต้องมีข้อปฏิบัติเรียกว่าจริยธรรมจริยธรรมของพระจะต้องไปอยู่ในป่าคบเเนะสเาสนะอันสงัดจริยธรรมของพระมหากษัตริย์ ของผู้ปกครองแหวนแหวนที่ถือพุทธศาสนาต้องมีคำ ว, ว่าธรรมิการละขาวรณะคุปติให้ความอรารักขาคุ้มครองอันชอบธรรมแกเนื้อแกนกมิขปักษีแกพลานิกายแกกองกําลังแกพลานิกายแกพวกข้าราชการพวกอนุยนต์แก่อันโตชนแกพระราชาบุตรราชโอรสทั้งหลายสุดท้ายทำมิการละขาวรณ า, รณ า, รณารณคุปติสมณพามาเนสุให้ความคุ้มครองอรารักขาชอบธรรมแก่สมณพามอยู่ในปานในเขาในแหวนแควน ขอให้จงมาสู่หวนแหวนของข้าพเจ้าที่ยังไม่มาขอให้มาที่มาแล้วจงอยู่เป็นสุขแต่บัดนี้พระก็มาแล้วอยู่แล้วอยู่มาตั้งแต่นานหลายชั่วคนแล้วในปานในเขาเป็นจริยธรรมของพระถูกไล่ออกมาเพราะไปขัดกันกับบัญญัติธรรมคือกฎหมายกฎหมายนั้นตั้งขึ้นมาใหม่แล้วก็สามารถยกเลิกเพิกถอนได้แต่กฎหมายนั้นตั้งขึ้นมามีเจตนารมเพื่อเบิกช่องให้แก่อาจริยธรรมได้ดําเนินได้ปฏิบัติไปอย่างค่องตัวหมายว่า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 เรื่องพระราชบัญญัติว่าโดยป่าสงวนไม่ยกเลิกแกผู้ใดพระสงฆ์ชาวไปอยู่ไล่ออกอย่างนี้ก็ถือได้ว่าเดินไปแล้วก็ขัดข า, ดขาดตนเองล้มตุม่มคือออกก้อนไม้มาขัดจริยธรรมก้อนไม้นั้นเป็นบัญญัติธรรมบัญญัติธรรมนี่คือคนบัญญัติขึ้นเมื่อคนบัญญัติขึ้นก็ยกเลิกเพิกถอนได้ทีเมื่อไม่ยกเลิกเพิกถอนไม่มีข้อยกเว้นไม่ได้พระสงฆ์จากไล่แหนี่เอาให้หมดตรงนี้เลยว่าล่มตึงในทวนเลยอยู่ดีๆเดินขัดข า, ดขาดตนเอง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 ผู้เป็นหลักใจที่นี่บัญญัติธรรมของพระบัญญัติธรรมของพระคือพระวินัยบัญญัติธรรมของโยงก็คือกฎหมายบัญญัติธรรมกับจ ร, ริยธรรมจะต้องสอดคล้องกลมเกลื่อนกันบัญญัติธรรมของพระนี่ตั้งไว้แล้วนะตั้งแต่สองพันห้ารอยกว่าปีว่าภิกษุไม่มีสิทธิ์ในดินตอนตอนหยาในน้ำในท่าถ้าเกิดทางบ้านเมืองไม่ให้อยู่ตรงนี้ราชาราชูหนังอนุวัติตรงอนุวัตตามทางกฎหมายบ้านเมืองในสิ่งที่ควรอนุวัตนะไม่ใช่อนุวัตทุกอย่าง ไม่ใช่ว่าพระราชาสั่งอย่างไรพระต้องเอาด้วยเอาผู้หญิงมาถวายนิมนต์ท่านเซฟสมให้ผมทีผมจะได้บุญในชาติหน้่ผมต้องการอันนี้เป็นวิบาวเป็นผลจ่างหัวเด็ดตีนขาก็ไม่เอาอยาว่าแต่พระราชาและพระอินมาสั่งก็ทําไม่ได้เขาว่าราชูนางอนุวัตติตรงอนุวัต ต, ตามพระราชาตามกฎหมายบ้านเมืองที่มันเหมาะมันสมที่มันเป็นเข้ากันได้กับจริยธรรมเท่านั้นต้องเข้าใจนะเพราะนี้อันนี้จะต้องป ร, ริบัติตามเอาตามอย่างเรื่องป่าสงวนแห่งชาตแน่พระทรงองคาวดื้อดึงดันไม่ได้ ถ้าบอกให้นีก็ตรง น, นี้เพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกแล้วว่าเราไม่มีสิทธิ์เววันณนิยมฮิอะชูปะคะโตไม่มีวั น, นะใดๆปลาสจากฐานะวั น, นะใดๆในสังคมเขาเลือกตั้งกำนันผู้ใช้บัตรผู้แทนหลาสโดนเราไม่มีสิทธิ์ออกเสียงเมื่อเราไม่มีสิทธิ์ออกเสียงก็แสดงว่าเราไม่มีอำนาจใดๆในการปกครองเมื่อเขาบอกให้เราหนีแล้วตอนน้องหนีอย่าว่าแต่นี้อย่าป่าสงวนเลยบอกให้นีอย่าประเทศไทย น, กก น, นี่พระก็ตรงนี้นีหมดเลย ไม่อยู่อย่างอาตมามาบอกได้นี่ปลูกต้นไม้เต็มไปหมดซื้อที่คืนมาป่าสงวไลไร่ละเลาะไร่ละหมื่นบาทเนี่เอามาคืนให้แกรัฐบาลปลูกกันไมหมอยากน้ำเลยถ้ามาบอกให้นี่อาตมาก็ตรง น, นี้เสียดายก็เสียดายอยู่แต่ต้องรู้ว่าไม่ได้หาแผ่นดินมาเกิดเราบวชเป็นพระซะแล้วเวยวันนิยมฮิอาโชปะคาต่อเราไม่มีฐานะวันณนะใดๆในสังคมเลยอาศัยดินดอนตอนหยาอยู่กับพระราชาเพราะเห็นน่ามันจึงมีคําว่าวิสงขามะสีา หมายว่าเตที่แยกมาเฉพาะที่พระราชาให้แก่มงสงเมื่อให้แล้วกลัวมันจะสับสนวุ่นวายกลัวจะเอาคืนก็ต้องมาทําใบสีมาแปลว่าใบเขตดเขตดพัทธศรีมาคู่เขตดคูเอามาห ล, าก 8, ลากั 10, ลกแปดหลักสิบหลักตรงกลางเอกแล้วก็เก้าหลังอยู่ตรงกลางออเอกอีกแปดทิศเอกใส่ข้างบนยังไม่พอฝังลงไปใต้ดินอีเกเลยว่าลูกลิมิตคือเผื่อมันหายข้างบนขุดดูในดินก็ได้พระราชาทุกองค์เกิดมาก็ไม่สามารถเอาคืน นอกเขตอันนี้ก็ได้แต่สมมุติเอาในน้ําสพโภณติโยอักามอสภณตีโยอสีโมแม่น้ําทั้งหมดยังไม่ใช่เขตของเราสโพสโพสมุทโอะสีหมแม่น้ําทั้งหมดมหาสมุททั้งหมดยังเป็นเขตของเราไม่ได้เราสามารถสวดสมมุติทําชั่วข้าวสังกกรรมอะไรได้ตรงไหนก็ไห้ไม่ต้องสร้างโบสถ์เป็นแสนเป็นล้านสวดสมมุติขึ้นมาแล้วก็ทํำธนกกรรมเสร็จก็สวดถอนไม่ได้เอาเป็นตลอดการเอาชั่วข้าวยืมใช้ชั่วข้าวแผ่นดินตัวนี้ เขาลบในสิทธิพระราชาดินดอนตอนหญยาหนามในฟืนไฟหยาเส้นเดียวพระไม่มีสิทธิถ้าบอกให้หนีอย่าว่าจะป่าสงวนเลยต้องหนีแม้แต่ออกจากประเทศไทยบอกคําเดียวฮะต้องหนีเรื่องราวเคยมีอย่างในปันปชิตตะวิเหธกะชาดกเราไปเปิดดูเล่มที่ยี่สิบเจ็ดพระถูกไล่หนีแว่นๆล้างพระไปสิบสองปีเพราะพระราชาเข้าใจผิดพระญารเข้าไปล่วงล้ำกรรมเกินราชินีปลอมตัวเป็นพระ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 ปเจกัพุทธเจ้าบินธบัตแล้วพระอินนี่เดินพนมมือน้ำหน้าถือบาทประชาชนเห็นพระอินเลื่อมสายวุ้ยคนอย่างนี้ไม่เคยเห็นปานเทวดาท่านไปยังไงมายังไงท่านจึงมโนบมาไหวพระเดินน้ำหน้าอย่างนี้ป่านนี้เมืองนี้ไม่มีพระพระอินก็บอกว่าข้าพระเจ้าคือพระอินโอ้นี้เยอพระอินแล้วท่านนบทําไมพระอ้าอาหารจะสีละสมปันนาจิรรัฐสมาหิเตสมาปปจิเตบันเทฟัมะจริยะปรายเนยังนิมัสสันติมาตลัง ผู้ได้มีสินมีจิตใจตั้งมั่นในสมาธิผู้บวชแล้วโดยชอบนี้พมจันทร์อยู่เบืาา้องหน้าข้าพเจ้าก้า ว, าวข้าพเจ้าว่ายบุคคลเช่นนี้เพียงแต่ว่ายก็เป็นบุญนักนะจะกล่ า, า, กกาวไปใหญ่ถึงการสนับสนุนข่าวหน้าโภชนะอาหารประชาชนก็เกิดความเลือ่อมใสพระเจ้าเป็นดินก็กลับใจนิมนต์พระ ก, กลับมาสูเแวนแควนอันนี้ก็จะเป็นทำนองเดียวกันอาจจะเป็นความเข้าใจผิดอย่างยิ่งใหญ่คงจะเดือดร้อนเทวดาฟ้าดินพระอินทร์บนฟ้าแล้วละ่ะถ้าหากมาไล่พระออกจ า, ากป่าจากหลงนี้อาตมาคิดนะ